ผมไม่ใช่ชาวไฟฟ้าอย่างเดียวคนข้างนอกก็คงมีด้วยก็เป็นโอกาสทันดีได้พบกันวันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะของดีของพิเศษมาให้พวกเราบรรพบุรุษของเราก็ฉลาดเลือกสรรศาสนาที่ดีเอาไว้เป็นมรดกสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้ว มาถึงรุ่นพวกเราสังคมมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วชีวิตความเป็นอยู่อะไรนี่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหลายคนก็เริ่มไม่เข้าใจไม่รู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรเป็นเรื่องแปลกพวกเราประกาศตัวเป็นชาวพุทธเยอะแยะเลยแถมรับศีลเก่งด้วยเวลาไปไหนก็รับศีลไปด้วยนะรับเสร็จเราก็คืนพระ ถ้าเราไม่ได้ศึกษานะเราก็ไม่รู้หรอกเราก็จะเป็นชาวพุทธแต่ชื่อมันน่าเสียดายไม่ใช่แค่เสียดายว่ามารดกของดีของพิเศษที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ดํารงอยู่สิ่งที่น่าเสียดายมากๆก็คือชีวิตของเราเนี่ยมันจะไร้ทิศทางที่จะพ้นจากความทุกข์เราจะมีความรู้ทางโลกนะมากมายไกด์กองศึกษากันมากมาย แต่และคนปริญญายาวขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าชีวิตหาความสุขไม่ได้เต็ไมไปด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์เอาไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งใครปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็จะสามารถอยู่กับโลกโดยทุกข์น้อยๆทุกข์น้อยลงน้อยลงจนถึงวันหนึ่งเราจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ทุกข์เลย เนี่ยถ้าเราฝึกได้เต็มที่เราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบอยู่ภายในสบายมีความสุขน้ำจะท่วมก็ไม่ทุกนะน้ำท่วมเหมอนท่วมได้แต่บ้านหรืออย่างมากมันก็ท่วมร่างกายเราร่างกายแตกสลายไปแต่ใจก็ไม่ทุกข์อะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะศาสตร์ในการพ้นทุกเนี่ยไม่มีที่อื่นไม่มีใครสอนได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนและไม่ได้สอนให้เชื่อ แต่ท่านทาให้ลองพิสูจน์ดูมาลองทำดูเฮีัสิโกโฟึ้กล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอดงั้นท่านไม่ได้บอกให้เชื่อท่านท่านบอกว่าให้มาลองลองศึกษาดูว่าท่านสอนยังไงแล้วลงมือปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วดูซิใจเราจะพ้นจากความทุกข์ได้จริงหรือไม่จริงวินยูชนจะรู้ด้วยตนเอง จจต่จะต่างเวทีตับโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตนเองคือความทุกข์มันจะกระเด็นออกไปจากใจเราต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อวานหลวงพ่อไปกราบท่านอาจารย์เปลี่ยนก็คุยกับท่านนะท่านก็บอกว่าโอ้สมัยพุทธกาลนะออกบวชวางองค์แค่โกนผมเสร็จก็เป็นพระลราหารนะันบางองค์ เวันเป็นพระละหาันสิบห้าวันเดือนหนึ่งสองสามเดือนเป็นพระละหาันมารุ่นเราไม่ค่อยเป็นแล้วถ้าเรียนให้มากพอนะศึกษาให้มากพอเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยหรอกเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านยืนยันไปด้วยตัวท่านเองว่าเป็นธรรมะที่ให้ผลเร็วคํนะาสอนของท่านเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติตามได้ถูกต้องลเราจะเห็นผลอย่างรวดเร็วเป้าหมายปลายทางของคำสอนของท่านก็คือความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเฉิงความดับสนิทแห่งทุกขนะ์วิธีการที่จะไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ท่านก็แสดงไว้ครั้งหนึ่งนะเล่านิทานหน่อยก็ได้นะไหนๆก็บรรยากาศหน้าพักผ่อนมากเลยตอนนี้ลมสบายนะ เนี่ยพอพูดถึงพักผอนะเริ่มเย้มนะมีความสุขนึกถึงบรรยากาศตอนนีนะ้มีครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระอินทร์ใครเคยรู้จักไหมพระอินทร์รู้จักไหมไม่รู้จักในการส่วนตัวต้องบอกเนี่ <c oughs> พระอินทนระ์กาลังจะไปเล่นกีฬาละกีฬาระดับพระอินทร์คงถ้าเทียบกับชาวโลกคงจะเป็นตีกอล์ฟนะ ท่านกำลังจะไปเล่นกีฬาท่านเกิดสงสัยขึ้นมาในธรรมะข้อหนึ่งพระอินทเนี่ยท่านเป็นคนขี้ลืมพอสงสัยต้องรีบถามเนี่ยนักบริหารส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะพ อ, อะไรปิ๊งขึ้นมานะเลยขาต้องจดให้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมนะพระอินทร์ก็งานเยอะวั น, น, นวันหนึ่งพอท่านเกิดสงสัยในธรร ม, มนะแล้วท่านก็บอกกวรก๊อฟของท่านให้หยุดก่อนขอไปถามพระพุทธเจ้าก่อนท่านก็ลงมาที่วัดเชตาวัน มาทูลถามพระพุทธเจ้าคำถามของท่านดีมากนะแล้วคำตอบของพระพุทธเจ้าก็ดียอดเลยยอดเยี่ยมเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงๆเลยพระอินได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นแก่นคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วทำอย่างไรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจรึงจะเข้าถึงแก่นคำสอนอ น, นั้นได้อย่างรัดสั้นนั่บริหารไม่ย่นเยอะ ไม่ใช่ว่าทํายังไงจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆพวกเราชอบนะเวลาทําบุญชอบอธิษฐานใช่ขอให้เป็นตัดใ จ, จบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการนานเทินก็นานแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นก็ <c oughs> ขอนา น, นานๆไม่ได้ขอเร็วๆเพื่อ ย, ยินดูนเลยว่าทางไหนที่รัดสั้นที่สุดวันนี้เราจะมาคุยกันถึงทางที่รัดสั้นที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ พระพุทธเจ้าก็ตอบคำทูลถามของพระอินทร์บอกว่าสิ่งที่เป็นแก่นทำคําสอนของท่านก็นคือสัพเพธรร ม, มานารังอาภีนิเวศายะใครเคยได้ยินประโยคนี้บ้างมีไหมใครเคยรู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสไหมรู้จักมากกว่าพระอินทร์แหละนะมันพระอินทร์รู้จักแต่ชื่ออาจารย์พุทธทาสบางคนรู้จักตัวท่านพุทธทาสท่านก็ดึงตัวนี้แหละ ออกมาบอกคําสอนที่เป็นหลักเลยแท้ๆเลยของพระพุทธศาสนานนก็คือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นสัพเพ昙มานารังอะพิณิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นนี่คือแก่นคําสอนวิธีที่จะเข้าถึงแก่นทำคําสอนอันนี้นะที่รัดสั้นที่สุดอันนี้พระพุทธเจ้าตอบพระอินพวกเราก็ทําได้พระอินท่านไม่ทรงวิริทธิ์หรอกพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่า จะไม่ยึดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเห็นความจริงเราไปยึดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรารู้สึกมันนําความสุขมาให้หรือมันนําความทุกข์มาให้เวลาสิ่งที่นําความทุกข์มาให้เราก็ยึดนะเราก็ยึดถือแต่ยึดในทางปฏิเสธอยากให้มันไปเร็วๆอย่างตอนนี้คนกรุงเทพนะอยากให้น้ําไปเร็วๆถ้าไม่ยึดถือน้ําแำน้ําจะอยู่หรือน้ําจะไปก็เรื่องของน้ำํำแต่นี้เรายึดถือเราไม่อยากให้น้ําอยู่ อยากอยู่ร่วมกับน้ำว่างั้นเถอะก็อยากมีการใจไม่ยอมรับมีความทุกข์เกิดขึ้นท่านสอนวิธีทำกรรมฐานที่ง่ายๆนะท่านสอนให้ดูเวทนาพวกเราใครเคยได้ยินคำว่าเวทนาไม่ใช่สมเพศเวทนานะเวทนาเป็นศัพท์เฉพาะหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กกความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกมีสาันเท่านั้นแหละ ไม่สุขก็ทุกไม่สุขไม่ทุกก็เฉยเฉยท่านบอถ้าจะให้พ้นไม่ยึดถือในธรรมทั้ ง, งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มาดูเวทนาอย่างตาเรามองเห็นรูป hmm? ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยเกิดขึ้นที่ใจให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันเมื่อ จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกก็จะเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกความรู้สึกเฉยๆขึ้นมาก็าให้เรารู้ทันท่านบอกให้ตามรู้ตามเห็นเวทนาเนืองเนืองนะท่านบอกให้ตามเห็นเวทนาเนืองเนืองใช้คำว่าเวทนานุปสัสสนะีตามเห็นอนุเนี่ยแปลว่าตามนะเวทนานุปัสสีปสัสสีการเห็น มีปัต ส, สนะแปลว่าเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นถูกต้องงั้นปัต ส, สนะก็ลว่าเห็นเวทนานุ ป, ปัสสีคือให้รู้เวทนาตามรู้เวทนาไปเมื่อตาเรามองเห็นใจเรามีความสุขให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงใจมีความสุขขึ้นมาให้รู้ทันเนะมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงใจมีความสุขขึ้นมาก็ให้รู้ทันง่ายๆแค่นี้เองวิธีปฏิบัติรำพวกเรารู้จักความสุขไหม รู้จักไหมรู้จักนะแต่ให้บรรยายว่าเป็นยังไงบรรยายยากแต่ว่าถามว่ารู้จักไหมความสุขอย่างไปดูเห็นดอกไม้สวยงามมีความสุขไหมไม่แน่หอกดอกไม้นี่นะแฟนเคยให้เราดอกนี้นะแล้วตอนนี้แฟนทิ้งเราไปแล้วเห็นแล้วมีความทุกข์นะไม่แน่นะไม่ใช่ว่าเห็นของสวยแล้วมีความสุขนะ เห็นของที่ถูกใจเป็นอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขเรียกอิทธารมณ์อิธารมณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกของอันนี้เป็นอิทธารมณ์ของคนนี้เป็นอ น, นิทถารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจของอีกคนหนึ่งงั้นถ้าตามองเห็นสมมติเราชอบดอกไม้เมืองเชียงใหม่ดอกไม้เยอะเมืองลำปางดอกไม้เยอะเราเห็นดอกไม้สวยๆถึงหน้าหนาวแล้วดอกไม้ออกมาเยอะตามันมองเห็นนะแต่ความสุขมันเกิดขึ้นที่ใจ ให้รู้ทันรู้ลงไปเลยใจแต่เดิมเฉยๆตอนนี้ใจมีความสุขขึ้นมาเนี่เป็นวิธีปฏิบัตินะที่รัดสัน้นที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเห็นของไม่สวยไม่งามนั่งรถไปเห็นรถชนกันนะศพเลอะเทอไปหมดเลยเห็นแล้วใจไม่มีความสุขเลยให้รู้ทันว่าใจไม่มีความสุขเห็นคนคนนี้เดินมาใจเรามีความสุขให้รู้ว่าใจเรามีความสุข ไม่ใช่รู้ว่านายคนนี้มานะคุณมนตรีมาไม่ใช่เอาแค่ว่าตาเรามองเห็นเห็นคนที่มาแล้วใจเรามีความสุขรู้ที่ใจเราเห็นอีกคนหนึ่งมาใจเรามีความสุขมีบ้างไหมเคยมีไหมบางคนไม่ชอบหัวหน้านะหัวหน้าไม่มานะมีความสุขพอตามมองเห็นหัวหน้ามีความทุกข์ใครเคยเป็นไหมอันนี้เราหัวเราะในใจนะเดี๋ยออกนอกหน้าเดี๋ยวหัวหน้ารู้ หนูพก็เคยเป็นเนี่ยแค่ตาเรามองเห็นนะเห็นคนนี้ความรู้สึกสุขเห็นคนนี้ความรู้สึกทุกเห็นคนส่วนใหญ่ความรู้สึกเฉยๆอย่างเรานั่งรถไปว่าเราจะไปเชียงใหม่เรานั่งรถไปเห็นคนอยู่ข้างถนนเยอะแยะใจเราเฉยๆรู้สึกไหมเห็นบางคนหรอกที่ใจไม่ชอบเห็นบางคนหรอกที่ใจชอบขึ้นมามีความสุขขึ้นมางั้นเมื่อตามองเห็นนะความรู้สึกสุข ความรู้สึกทุกความรู้สึกเฉยๆเกิดที่ใจเราคอยรู้ทันมีกรรมฐานที่แสนง่ายเพราะอะไรความรู้สึกสุขเราก็รู้จักอยู่แล้วความรู้สึกทุกเราก็รู้จักอยู่แล้วความเฉยๆเราก็รู้จักอยู่แล้วใครๆก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้แค่นั้นเองปัญหามีนิดเดียวคือละเลยที่จะรู้ตามองเห็นดอกไม้สวยงามใจชอบนะก็ไปเด็ดดอกไม้ไม่ทันรู้ว่าใจมีความสุขขึ้นมา หูได้ยินเสียงบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกขได้ยินเสียงเพลงเพราะๆมีความสุขไหมไม่หลงกลเลยนะฉลาดนะสมมติเป็นคนเก่าป่ออูได้ยินเสียงเ พ, งพลงเพราะๆ เ, เพลงนี้แหละตอนอกหักเคยได้ยินแนละ้วฟังแล้วเศ ร, ร้าเลยมนะมีไหมฟังเพลงแล้วน้ําตาไหลมีไหมมีไหมฟังเพงเลงแล้วน้ํำลายไหลมีลองไปฟังเพลงส้มตําของสมเด็จพระเทพนะ ฝั่งแล้วน้ำไหลไหลเพราะเราฟังเพลงเได้ยินเสียงหรือเสียงชมได้ยินเสียงชมใจชอบไหมใจมีความสุขได้ยินเสียงด่าใจมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าบางทีได้ยินคนด่านะดีใจอย่างบางคนนะเพื่อนมันชอบด่าพูดกันดีๆไม่ได้นะไอ้เพื่อนคนนี้เจอทีไรเป็นด่าทุกทีเลย ไม่เจอมันหลายปีนะได้ยินเสียงมันตะโกนด่ามาข้างหลังดีใจก็ได้นะเพราะงั้นเราคอยรู้ทันที่ใจเรานี่เองหูได้ยินเสียงมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันคอยรู้ทันได้ยินเสียงแล้วเฉยๆเรู้ว่าเฉยๆไปใจของเราคิดมีไหมคิดแล้วมีความสุขมีไหมอย่างคนแก่ๆนะอายุมาก คิดถึงอดีตมีความสุขไหมมักจะมีความสุขคิดถึงวัยเด็กยังเดินได้ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วอะไรมีความสุขเด็กๆนะคิดไปอนาคตเรามีความสุขนะเด็กไม่ชอบคิดอดีตเด็กชอบคิดไปอนาคตพื้นที่ว่างข้างนาหน้าเยอะผู้เฒ่าแล้วรู้สึกข้างหน้าเหลือพื้นที่น้อยละคิดไปอดีตมีความสุขคิดไปไหนก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไม่จิตแต่เมื่อจิตเราคิดไปแล้ว มีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตเราไปคิดแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันนี่กรรมฐานแค่นี้แหละนี่กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละทางที่รัดสั้นที่สุดถ้าเราดูจิตดูใจของเราเป็นไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยแค่ดูความรู้สึกสุขที่เกิดขึ้นดูความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นดูความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นดูเนืองๆดูบ่อยๆความรู้สึกนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการกระทบ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกกเปลี่ยนกระทบไปก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยความสุขความทุกข์เนี่ยจะหมุนอยู่ในใจทั้งวันหมุนติ้วๆตๆอย่างนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากระทบอารมณ์ทีก็เปลี่ย น, ย น, ยนทีอย่างเรากําลังร้อนๆ น, นะลมหนาวโชวยมานะมีความสุขไหมสบายใจใช่ไหมอตอนนี้ดูแต่ละคนนะอยู่ในมูดของการจะพักผ่อนแนละ ใกล้ปลายปีลมหนาวมาอนะไรเงี้ยแต่พอหนาวจัดๆใช่ไหมลมหนาวมาอีกไม่ชอบนะมีความสุขนะเนี่ยร่างกายกระทบสัมผัสนะกระทบมีความสุขก็รู้ทันกระทบแล้วจิตใจมีความสุขขึ้นมาคอยรู้ทันให้คอยรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆซึ่งเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละดีที่สุดเพราะมันเปลี่ยนเร็วนะไปดูที่กายมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันช้านะมันช้า ดูที่ใจเราจะเห็นเปลี่ยนตลอดการที่เราตามดูเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆซึ่งหมุนเวียนอยู่ในใจเราเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่มีการกระทบอารมณ์ตามรู้เนืองๆนง น, นี้ท่านเรียกว่าเวทนานุ ป, ปัสสีตามแล้วเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าเวทนาทุกชนิดไม่เที่ยงอย่างเราคอยรู้ทันความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันาก็จะเห็นในความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วความทุกข์ก็หายไปความเฉยๆก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างกําลังกลุ้มใจอยู่กําลังทุกข์อยู่นะคนเอาเงินมาให้เยอะๆเนี่ยลืมเรื่องทุกข์ไปละใจเปลี่ยนหรือใครเคยเล่นแช่เห็นไหมเคยเล่นแช่ไม่ต้องยกมือนะเพราะว่าผิดมติขอรอมอมีอันหนึ่งห้ามเล่นแช่ไม่ต้องยกอเราเวลาเพียแช่ได้มีความสุขไหย มีความสุขตอนเกียรมีความสุขไหมหลุน้นยังไม่แน่ใช่ไหมว่าจะได้ไหมใจยังไม่มีความสุขพอรู้ผลว่าได้นะมีความสุขรายปีได้สองขั้นมีความสุขไหมโอได้ยินเสียงหรือเห็นสลิปเงินเดือนเปลี่ยนตา ม, มองเห็นมีความสุขง่ายๆแค่นี้นะนะแล้วรู้ลงไปอีกความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกขก็อยู่ชั่วคราวความเฉยๆก็อยู่ชั่วคราว การที่เราคอยรู้เวทนาเนืองเนืองี่เราจะเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเนื่งเนืองการที่ตามเห็นความไม่เที่ยงเนื่งเนืองท่านเรียกว่าอานิจจานุปัสสีมีเวทนานุปัสสีตามรู้เวทนานเรื่อยๆต่อไปก็จะมีอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองเนืองการที่เราคอยรู้นะใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวไปหมดเลย การตามรู้อย่างนี้แหละเป็นการเจริญปัญญาตัวจริงนะเราเริ่มเดินวิปัสสนาแลวิปัสสน า, สส น, านั้นต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างเราเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงมันก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นอนิจจังเห็นว่าความสุขก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ความสุขไม่ถาวรหรอกเห็นว่าความทุกข์ก็ไม่ถาวรตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันความเฉยๆก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่าเรากําลังมีเวทนานุปัสสี ถัดจากเบญธนาทุวงปัดสีถ้าเราตามรู้ความเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงของความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆมากเข้ามากเข้าใจจะค่อยๆเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์อย่างแต่เดิมเราไม่เคยรู้ทันเลยว่าความสุขไม่เที่ยงเราเขาอยากได้ความสุขความสุขมานะก็หลงระเริงคิดว่ามันจะอยู่กับเรานานๆแต่ความสุขไม่เคยอยู่นานรู้สึกไหมความสุขอยู่สั้นๆเสมอเลยเพราะไม่สะใจไม่ไม่สมใจเดี๋ยวว่าหายไปไห แต่ถ้าเราเห็นนะกะทั่งความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นความสุขจะหายไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจคา응ว่าธรรมดาหรือยังเพราะมีปัญญานะถึงจะเห็นธรรมะนะถึงจะเห็นธรรมดาของมันการที่เราเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นใจนี้จะเป็นกลางต่อความสุขความสุขจะเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงความสุขจะหายไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจความสุขยังไม่มาก็ไม่โหยหา ใจก็จะเป็นกลางใจไม่มีความอยากถ้ารู้ไม่ทันว่ามันไม่เที่ยงใจจะเกิดความอยากความสุขหายไปไม่ยอมรับว่าความสุขไม่เที่ยงก็จะเกิดอยากให้มันกลับมามันไม่มาก็เสียอกเสียใจความสุขยังไม่เกิดขึ้นอยากให้มันเกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็เสียอกเสียใจไม่สบายใจมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเนี่ยตามรู้ลงไปเรื่อยนะ หรื อ, อยังความทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยเราใจใจเราจะเป็นกลางความอยากมันจะลดลงอย่างเรารู้ว่าน้ําท่วมนะไม่นานมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ต้องลงเกินได้มันไม่ท่วมตลอดเลยหรือว่ามีความสุขมีความทุกข์นะถ้าเรารู้ทุกอย่างนี้ของชั่วคราวก็ทั้งร่างกายของเราบางคนเจ็บป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอบอกว่าใกล้จะตายแล้วอะไรเนี่ยตัวเองก็คิดว่าใกล้จะตายแล้ว ใจมีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะชีวิตนี้ก็เป็นของชั่วคราวนะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นถ้าใจเรายอมรับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของชั่วคราวได้นะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยเพราะความอยากมันจะหมดไปพระเจ้าถึงสอนบอกว่าถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเนืองเนืองเนี่ยสิ่งที่ตามมานะก็คือวิราคะ ความคลายความยึดถือความคลายความผูกพันคลายความกำหนักรีเรียกว่าวิราขารุปสีงั้นอย่างความสุขเกิดขึ้นเรารู้ว่าอยู่ชั่วคราวใจก็คลายความยินดีพอใจในความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ว่าเป็นของชั่วคราวนเพราะเราเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกความทุกข์เป็นของชั่วคราวใจก็จะคลายความยินร้ายต่อความทุกข์ใจจะเป็นกลางไม่ได้อยากให้ความทุกขหายไปไม่ได้เกลียดชังมันใจที่หมดความอยาก มันดีมันวิเศษตรงไหนตัวความอยากตัวตัณหาตัวราคะนี่เองเป็นตัวที่ทำให้จิตยิ่ร น, นปรุงแตง่งเรียกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างพบมีความปรุงแตง่งมีความยิ่ร น, นของใจเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีนะความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นทุกทีงั้นอ ย, อย่างเราอยากได้สองขั้นใช่มมีความทุกข์ไหมระหว่างที่อยากก็ทุกข์แล้วนะ รว่าที่อยากก็ทุกแล้วลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ได้มาลงประกาศผลแล้วไม่ได้ยิ่งทุกข์หนักกว่าเก่ามีความอยากทีไรใจจะดิ้นรนอยากได้ความสุขแร้วทุกไหมตอนที่อยากได้ความสุขทุกอย่างเราจีบสาวสักคนหนุ่มๆเขียไปจีบสาวสักคนนึ่งจีบตอนลุ้นน่ะเขาจะตกลงด้วยไหมลุ้นนะ่ะทุกนะใจนี่ไม่มีความสุขบางคนเวลา มีความรักกินไม่ได้นอนไม่หลับใครเคยเป็ น, นอกสารภาพมีไหมตอนที่มีความรักแรกๆนะกินไม่ลงนอนไม่ลงนะคิดถึงตลอดหวใหาตลอดใจมันผูกพันใจมันมีความอยากใจมีความอยากเกิดขึ้นใจมีความทุกข์ทุกทีความอยากเกิดที่ไรความทุกข์เกิดทุกทีเพราะตัวความอยากตัวตัณหานั่นแหละเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ถ้าเราค่อยมาดูนะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ทันใจเราจะเปลียดตลอดเราจะเห็นในสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกใจจะหมดความอยากในความสุขหมดความอยากในความทุกข์อยากในทุกข์ก็คืออยากให้มันหายไปอยากมีความสุขอยากได้มาอยากให้รักษาไว่อยากมีอยากเป็นอยากได้มีความสุขขึ้นมาก็อยากให้หายไป มีความอยากเกิดที่ไรใจมีความทุกข์ทุกข์ชีนี่พอใจสิ้นความอยากเห็นความจริงแล้วว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวความดิ้นรนของจิตก็จะหายไปเมื่อจิตหมดความดิ้นรนอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือตัวนิโรดนิโรดมีหลายระดับมีห้าระดับนะนิโรดคือความดับดับเพราะสมถะดับเพราะวิปัสสนาดับเพราะอาริยามรดับเพราะอาริยผลดับเพราะนิพพาน นี่รอดสูงสุดคือพระนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัญหาสิ้นอยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกวิธีสิ้นอยากให้เราแล้วนะให้เรารู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราหนึ่งเดืองรู้จนกระทั่งเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวความอยากจะค่อยๆลดลงนะอันนี้ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าจริงหรือไม่จริง ท่านไม่ได้บอกให้เชื่อท่านบอกให้ลองดูการที่เรามีวิราคาโนปัสสีคือมีวิราคะคือความสิ้นตัณหาไปซึ่งความอยากไปสิ่งที่จะตามมาเราจะเห็นนิโรธท่านเรียกว่านิโรธานุปัสสีถ้าเราเห็นนิพานเห็นนิโรธเราจะสลัดคืนความยึดถือในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงท่านเรียกว่าปฏิสักคานุปัสสีชื่อเยอะไปหน่อยนะ เอาง่ายๆว่าถ้าเราเห็นว่าสุขกระตุก์มันชั่วคราวแล้วก็ใจเราจะเลิกดิ้นรนเลิอกอยากใจเราจะเข้าถึงสันติสุขเราพูดง่ายๆแค่นี้ตัวสันติสุขนั่นแหละตัวพระนิพพานละยากไปไหมอันนี้พูดให้เจ้าท่านบอกสั้นที่สุดแล้วนะเป็นทางที่รัดสั้นที่สุดแล้วลยินได้ฟังตรงนี้นะจนถึงนี่ไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วเพราะว่าจิตสลัดคืน ที่จิตสลดคือพระจิตเข้าถึงนิโรธที่จิตเข้าถึงนิโรธเพราะสิ้นตัณหาที่สิ้นตัณหาเพรารู้ความจริงว่าสุขก็งั้นง้นแหละทุกขก็งั้นงันแหละใจผมก็พ้นความอยากถามว่าที่เราอยากอยากนะอยากอะไรเราอยากได้ความสุขอยากพ้นความทุกข์ใช่ไหมทุกอยากนะ่ะรวมแล้วลงมาตรงนี้หมดเลยอยากได้สุขอยากหนีทุกข์มีเท่านี้เองถ้าเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใจก็หมดความอยาก พอหมดความอยากนะใจก็เข้าถึงสันติสุขเข้าถึงพระนิพพานใจไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี่คือวิธีที่จะเข้าถึงธรรมะที่เรียกว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควหยิดมั่นี่พระอินทร์ท่านสาธุเสียงดังลั่นเลยพระโมคลานั่งอยู่ในวัดเชตวันพระโมคลานี่มีฤทธิ์เยอะใครเคยได้ยินชื่อท่านบ้ า, บางไหม คราวนี้พยายามหน้าแล้วฉลาดคนที่เนี่ยถ้าหลวงพ่อรู้จักไหมต้องนั่งเงียบๆวางฟอมขืนบอกว่ารู้จักเดี๋ยวหลวงพ่ถามรู้จักที่ไหนไปเจอกันมาเหรอพระโมคคลลาดได้ยินพระอินถามไม่ได้ยินคําตอบของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้จงใจให้พระโมคคัลลได้ยินท่านจงใจให้พระอินได้ยินแล้วพระโมคคลลาก็ได้ยินพระอินสาธุ งันสิ่งที่พระโมคคัลลาได้ยินก็คือได้ยินคําถามแล้วได้ยินคําสาธุของพระอินท่านก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าตอบว่าอะไรนะแทนที่ท่านจะไปถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันนะท่านไม่ถามหรอกคงดึกแล้วไม่อยากถามนะท่านขึ้นไปดาวัดดึกท่านไปได้ท่านมีรินเยอะแล้วยินกําลังจะไปตีกอลฟแล้วล่ะไปถามธรรมะมาเรียบร้อยแล้วกําลัง ไม่ใช่ไปแบบกระจกนะมีวงดนตรีไปด้วยกําลังร้องราทําเพลงจะไปเล่นทีฬาพอเห็นพระโมคคลลามาพระอินรจะบอกพวกนางฟ้าหยุดหยุดหยุดอย่าเพิ่งร้องรำทําเพลงพระมาสังเกตไหมอย่างพวกเรากําลังเฮฮาอยู่นะพระพระเข้ามาเราต้องเงียบใช่ไหมพระโมคคลลาไปเราวพยินหยุดสั่งให้ลูกน้องหยุดเล่นดนตรีพระโมคคลลาก็ถาม ว่าท่านไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงใครรู้ไหมพระอินตอบว่าเังไงผมลืมไปแล้วก็ท่านที่ลืมหนเอ่าท่านลืมไปแล้วนะท่านอยากรู้ท่านไปถามก็ได้คําตอบนะท่านสบายใจแล้วท่านลืมไปพระโมคคัาท่านก็แกล้งพระอินนะท่านใช้ชัฤทธิ์ของท่านเนี่ยเขย่าประสาทเวชยันประสาทของพระอินนะพระอินพอเห็นว่าประสาทซึ่งดูใหญ่โตแข็งแรงนี้ไม่เที่ยง ใจระลึกขึ้นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนความไม่เที่ยงก็เลยบอกพระโมคคัลลาถูกนะว่าท่านสอนให้ดูความไม่เที่ยงของเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นี่นี่แหละคือทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดที่พระพุทธเจ้าตอบพระอินไปพระโมคคัลลาก็ได้ยินนะอ๋ออันนี้ธรรมะของเก่าพระโมคคัลลาเคยถามพระพุทธเจ้าเหมือนที่พระอินถามเปรียบเลยนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบธรรมะอันเดียวกันนี่เอง งั้นพระโมคลานี่ได้ยินธรรมะเรื่องการรู้เวทนานะเช่นเดียวกับพระสารีบุตรได้ยินธรรมะเรื่องเวทนานี่นะแหละแล้วบรรลุพระอรหันต์แม้รัดสั้นไหมพระโมคลาน่ะเจ็ดวันพระสารีบุตรสิบห้าวันฟังเรื่องเวทนาไม่ไม่นานอยู่ที่พวกเราแล้วล่ะเราได้ฟังเหมือนที่พระอินทร์ฟังแล้วนะ<ม>ดูซิจะเหมือนพระยินหรือเหมือนพระโมคลลา แต่หลวพ่อว่าเหมือนพระยินทรเนอะยากไปไหมยากไปไหมง่ายธรรมะนะไม่ใ <un> ช่ของลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะเมื่อวานหลวงพ่อไปเทศนิมซี่เสียงได้ข่าวันนี้มาใช่นี้หลายคนสอนเรื่องสมาธินะก็ชอบนั่งสมาธิก็สอนเรื่องสมาธิวันนี้มาสอนเรื่องการเจฉิยปัญญาะ พเรามาหัดเจริญปัญญาให้ดีหลายคนนะเป็นน่าเสียดายมากคิดว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องนั่งสมาธิมันไม่ตื่นแค่นั้นหรอกคิดว่าการทําสมาธิจะทาให้พ้นทุกในความเป็นจริงแล้วสมาธิมีสองเข็มพวกสมาธิชนิดที่หนึ่งทำไปเพื่อความสุขความสงบเพื่อปูนงามความดีใครทําได้ก็เป็นคนดีเป็นคนมีความสุขมีความสงบสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะ สมาธิชนิดที่สองใจตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะถ้าไปเปิดพจนานุกรมดูเราจะพบว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนี่แต่ว่าอาภัพมากนะไม่มีใครเรียนเรื่องสมาธิตั้งมั่นเรียนแต่สมาธิสงบกันวันะนนี้หลวงพ่อเห็นมีแจกหนังสือเรื่องจิตสิขขาเห็นไหมนั่นแหละคือเรื่องการที่จะพัฒนาสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมา ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้เราจะมาดูเวทนาในใจนี่ดูไม่ออกอะ่ะนะเราต้องมามีสมาธิที่จิตตั้งมั่นซะก่อนแล้วามาคอยรู้เวทนาที่เกิดขึ้นในใจเรื่อยๆไปไม่นานพวกเราก็จะได้ธรรมะตามชั้นตามภูมิของเราจะได้ตั้งแต่โสดาขึ้นไปนธรรมะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี้ยทาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะเพราะว่าพระเจ้าสอน หลายท่านบรรลุพระอรหันต์ด้วยธรรมะอันนี้แหละยากไปไหมพอสมควรยังยังไม่พอเหรอมีความสุขไหมขณะนี้ดูซิดูเราไปในใจที่มีความสุขเห็นไหมความสุขไม่เที่ยงเห็นไหมเริ่มหดลงไปแล้วรู้สึกไหม เริ่มหมดตัวลงไปแล้วดูต่อไปนะเดี๋ยวจะเป็นความทุกข์ละก็จะไปเพ่งจนแข็งนะงั้นหยุดกันวิธีดูเวทนาหรือดูความรู้สึกต่างๆในใจเราดูโลภ ก, กลดหลงอะไรเงี้ยถ้าดูความโลภความลกลดความหลงเนี่ยเรียกว่าดูสังขารถ้าดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เรียกว่าดูเวทนาดูตัวไหนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ที่พระเจ้าบอกรัดสั้นคือตัวเวทนาเพราะ ถ้าข้ามเวทนาได้ก็ข้ามตัณหาได้เลยนะถึงสั้นตรงนี้หลวงปู่ดูลสอนดูจิตใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดุลไหมหลวงปู่ดูลท่านมีบุญมากนะตอนที่ท่านมีชีวิตยอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักท่านสบายท่านสบายหลวงพ่อต้อซอกแซกไปรู้จักท่านได้ไปเรียนจากท่านได้หลวงปู่ดูลเนี่ยสอนเรื่องดูจิตหลวงปู่มั่นสอนท่านมาอีกทีหนึ่งไม่ใช่ท่านคิดเองนะ หลวง่มานสอนหลกุปดูลให้ดูจิตด้วยประโยคที่ว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาที่พระพุทธเจ้าสอนพระอินทร์สอนพระโมคคลานะสอนให้ดูเวทนาไม่เที่ยง งั้นการที่จะดูจิตดูใจนีดูเวทนาก็ได้ดูสังขารก็ได้หลวงปู่ดูลเนี่ยได้รับคําสอนจากหลวงปู่มั่นให้ดูสังขารท่านจะเห็นในใจที่ปรุงความดีขึ้นมานะความดีก็อยู่ชั่วคราวใจที่ปรุงความชั่วขึ้นมาความชั่วก็อยู่ชั่วคราวโรคตรวจหลงก็ของชั่วคราวนะและใจของเรานี่มีสัญญาเข้าไปสําคัญมั่นหมายสังขารมันปรุงแท้เราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเรา เช่นจิตมันปรุงความโกรธขึ้นมาเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเราโกรธจิตมันปรุงความโลภขึ้นมาเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเราโลภจิตมันปรุงความดีขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราดีตอนนี้เราอยากฟังธรรมเรามีสมาธิมีความตั้งใจในการฟังธรรมจิตของพวกเราในห้องส่วนมากก็เป็นกุศลแล้วถ้าถ้าเรามีสติดดปัญอารู้ทันก็จะเห็นว่า กุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวดูไปเรื่อยก็จะเห็นอย่างนี้ถ้าดูเวทนาเราก็จะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าดูสังขารก็จะเห็นว่าดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเห็นแล้วชั่วได้ไหมเห็นแล้วชั่วไม่ได้แต่ใจยังไม่ยึดถือในดีในชั่วเมื่อไม่ยึดถือในดีในชั่วรู้ทันว่าเป็นแค่ความปรุงแต่งกิเลสจะย้อมใจไม่ได้ กิเลสยอมใจได้เพราะใจรู้ไม่ทันมันถ้ามีสติรู้ทันเห็นกิเลสเกิดแล้วผ่านไปกิเลสเกิดแล้วผ่านไปจะรู้เลยว่ากิเลสกับจิตเป็นโค้ลานกับกิเลสไม่ใช่จิตเนี่ยท่านเห็นอย่างนี้เรื่อยไปนะท่านก็เลยแจ้งขึ้นมาตัวสังขารเองเกิดแล้วก็ดับไปตัวสัญญาเกิดแล้วก็ดับไปตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับ เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกท่านก็เลยรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ควรยึดเลยกระทั่งตัวจิตเองนักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปตายอยู่ตรงที่ไปยึดถือจิตเมื่อวานหลวงพ่อคุยกับท่านจันเปลี่ยนก็เล่าถวายท่านว่าหลวงปูดุลสอนหลวงพ่อท่านบอกท่านก็เคยไปเรียนจากหลวงปูดุลเมื่อปีสองหลวงปูดุลไปเข้าโรงบาลจุฬาท่านไปเรียน หลวงปูก็สอนเรื่องจิตบอกว่าลึกซึ้งมากเรื่องจิตหลวงพ่อ ก, ก็เลยเล่าถวายท่านว่าครั้งสุดท้ายที่พบหลวงพูดุลหลวงพู้ดุลสั่งหลวงพ่อไว้นะว่าพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยไปยึดถือจิตอยู่ปล่อยจิตไม่เป็นนะ ปัดเป่ากิเลสเอกไปจากจิตนัหละจิตนี่สว่างแจ่มใสสบายมีความสุขอยู่นัแล้วรักษาจิตอยู่ตลอดเลยไปคอยควบคุมคอยรักษาจิตถนอมหวงแหนเอาไวนะ้การที่เราคอยรักษาจิตอยู่ก็ยังเป็นภาระอยู่นะท่านสอนบอกว่าต้องปล่อยวางจิตให้ได้ถึงจะพ้นทุกข์จริงเห็นไหมกระทั่งตัวจิตนะถ้าเรายึดอยู่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่แต่ท่านบอกเลยว่านักปฏิบัติส่วนมากเลยนะปล่อยไม่ได้หรอก ไม่รู้ว่าต้องปล่อยด้วยมีแต่คิดว่าจะต้องรักษาจิตเอาไว้การสงวนรักษาจิตเอาไว้เนี่ยเป็นธรรมะในขั้นต้นหรอกขั้นที่จะแตกหักจริงๆเนี่ยต้องดูจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์บางคนสอนผิดนะว่าจิตเชียงเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่เชียงถ้าเราเห็นว่าจิตไม่เชี่ยงเราถึงจะไม่ยึดถือจิตถ้าเราเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เราถึงไม่ยึดถือจิตถ้าเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาเราถึงจะไม่ยึดถือจิต เราเฝ้าดูนี่ถ้าเดินการดูจิตโดยการดูสังขารก็ดูกันอย่างนี้สุดท้ายก็จะไม่ยึดถือกระทั่งตัวจิตเมื่อไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกหรอกนะเรายึดถือจิตเป็นตัวเราก่อนแล้วก็มายึดถือร่างกายว่านี่เป็นร่างกายของเราคำว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วกลายเป็นร่างกายของเราใช่ผมของเราเล็บของเราฟันหนังของเราอะไรนี้ จากยึดถือร่างกายเป็นของเราก็นี่ครอบครัวของเราพ่อแม่เรานี่ลูกเราต่อไปนี้ก็บ้านเรานี่ก่อฟอพอของเราของเราก็จริงนะแต่วันหนึ่งไม่กดดี่ปีเขาก็าให้พ้นออกไปเนะาะเขาไม่เลี้ยงไว้ตลอดหรอกใ <c oughs> ครยดูไปนะทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือจะเป็นสังขารล้วนแต่เป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชั่วคราว เรียนอย่างนี้มากๆนะมากพลนิพพานไม่หนีไปไหนแ ต, แต่เราจะต้องคอยดูใจของเราบ่อยๆถ้าเราใจลอยเมื่อไหร่เราจะไม่เห็นถ้าเราไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่เฉยๆเราจะไม่เห็นไตรักษงั้นสิ่งที่จะทําให้เรามองไตรลักษณ์ไม่ออกนะก็คือเผลอไปลืมกายลืมใจสิ่งที่จะทําให้มองไตรลักษณ์ไม่ออกตัวที่สองก็คือการเพ่งกายเพ่งใจตัวนี้แหละที่คนที่ทําสมาธิส่วนใหญ่ไปติดอยู่ แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปทําสมาธิแบบนี้สิเลยบางคนเลยเข้าใจผิดนะว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมาธิหลวงพ่อเองนั่งสมาธิมาตั้งแต่7จ็ขวบทำไมเรายังไม่ทําสมาธินะสมาธิมันมีหลายประเภทสมาธิเพ่งเพ่ ง, เ พ, งเพ่งไปกายก็นิ่งใจก็นิ่งได้อะไรขึ้นมาแล้วนะก็ได้เพ่งสิถ้าเพ่งแรงๆก็เครียดอีกนะนั่งไปนั่งไปเห็นโน่นเห็นนี่หนักเขา้าไปอีกสติแตกสมาธิอย่างนั้นเอาทําอะไรไม่มีประโยชน์อะไร ถ้ามีสมาธิชนิดที่ใจไม่เผลอใจไม่เพ่งสมาธิชนิดนี้แหละเป็นสมาธิที่ดีถ้าเผลอไปเราก็ลืมกายลืมใจไม่สามารถเจริญปัญญาได้ถ้าเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์ก็เจริญปัญญาไม่ได้อยู่ดีนะการเจริญปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะพอเข้าใจไหมนะเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเทศเยอะไปก็เดี๋ยวคลุ้มใจเปล่า ง่ายๆ่ายง่ายง่าตามองเห็นความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจกระทบสัมผัสใจคิดนึกความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันหรือตามองเห็นแล้วกุศลเกิดขึ้นรู้ทันอาคุศลเกิดขึ้นรู้ทันอันไหนก็ได้แล้วแต่ชนิตนิสัยแต่ที่พระุทธเจ้าบอกว่าสั้นที่สุดแลคือรู้เวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหา ต่นหาเป็นปัจจัยให้สร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ถ้ตัดวงจรตรงนี้ตัดได้รวดเร็วเลยกราบมนุษการหลวงพ่อค่ะไอ้ที่โยมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้มาถูกทางหรือยังคะปฏิบัติอะไรล่ะบอกกันบ้างสิ <c oughs> <c oughs> มีศีลไหมรักษาศีลได้ดีไหมดีพอสมควรก็ถูกทางพอสมควรนะ้จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวไหม อยู่คะ่ะรู้รู้บ้างแต่ทีนี้รู้นี่ไม่ทราบว่ารู้หรือว่าคิดเอารู้ปนคิดสิรู้ไปคิดไปนะงั้นก็ดีพอสมควรอย่างรู้บ้าง <c oughs> เห็นกิเลสบ่อยไหม <c oughs> เห็นค่ะเวลากิเลสเกิดขึ้นทำยังไงก็ดู <c oughs> เห็นไหมมันไม่เที่ยงค่ะเกลียดมันไหม <c oughs> เป็นบางครั้งเออถ้าเกลียดกิเลสนะใจไม่เป็นกลางให้รู้ <c oughs> กิเลสเกิดขึ้นให้รู้นะรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้บ่อยๆ<ะ>ย่อมอยากคิดเยอะนะให้รู้สภาวะบ่อยๆ<ะ> <นะ S 2> แล้วก็ทำยังไงให้ให้มันปฏิบัติมีให้มันค่ะพิจารณาความตายบ่อยๆ<ะ>คือใจเราที่ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมนะเราประมาท ถ้าเรารู้ว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอ น, น, นจะขยันปฏิบัติถ้าเราคิดว่าเราจะมีชีวิตไม่เกินวันนี้เราอยากทำอะไรบ้างค่ะแล้ววิหารเราทำนะคะวิหารเราทำเ ค, เคยใช้อะไรล่ะเคยใช้พุโทโธค่ะใช้พุโทโธไปแต่ใช้ให้เป็นพุโทโธที่ถูกต้องเนยคำว่าพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนั่นแหละคือตัวพุโทโธ งั้เวลาเราพุทโธเนี่ยเราไม่ได้ไปบังคับจิตให้นิ่งเราพุโทโธแล้วเราค่อยรู้ทันจิตไหมพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะ <iend? S 1> การที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวงั้นเราใช้พุโทโธก็ดีอยู่แล้วค่ะขอพระคุณค่ะแต่ต้องพุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะค่ะ<อ>ไม่ใช่พุโทโธพุทโธเราห้ามคิดนั้นไม่ใช่ ครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนอย่างนั้นเลที่เชียงใหม่หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์หลายองค์นะองค์หนึ่งคือท่านอาจารย์บุญจันทร์ที่ถ้ำฝาพึ่งท่านสอนพุทธโธไม่ใช่พุทธโธนกแก้วนกขุนทองท่านสอนพุทธโธใจรู้พุทธโธ ร, รู้ใจมพุทธโธเราต้องรู้ทันจิตตนเองนะหลวงปู ด, ดุลก็สอนพุทธโธเหมือนกันสอนแล้วให้รู้ทันจิตเมื่อเดือดก่อนหลวงพ่อไปเจอคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวแม่จันดีถามหลวงพ่อว่าท่านภาวนามาอย่างไง หลวงพ่อบอกหลวงพ่อใช้อานาปนานสตินะภาวนากำหนดลมหายใจอยู่กระทั่งลมมันหยุดแล้วเราก็รู้จิตอยู่ท่านบอกของท่านเนี่ยหลวงตามหาบัวสอนให้พุโทโธแต่พุโทโธอยู่ตรงนี้นะพุโทโธแล้วรู้ทันจิตท่านบอกว่าอันเดียวกันธรรมะเปนลงอันเดียวกันเลยพอจิตอยู่กันเนื้อขัตัวแล้วค่ะนี้ถึงขั้นเดินปัญญาแล้ว ต้องแยกธาดุแยกขันให้เป็นไม่งั้นไม่ได้เรื่องอะไรแต่แต่สงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งตลอดชีวิตได้แค่นั้นเองค่ะกล่าวพระคุณค่ะจำไหว้หรือถามเยอะค่ะกล่าวนวัตการค่ะหลวงพ่อคือหนูเอากรบ้านมาส่งค่ะแล้วก็หนูคือมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะหลวงพ่อมันไม่เที่ยงค่ะ กถูแล้ ว, ลวละมันต้องเปลี่ยนหนูอสงสัยเรื่องหนึ่งอ่ะคะ่ะเกี่ยวกับตอนที่หนูนั่งสมาธิก็คือมันก็เปลี่ยนไปอีกนั่นแหละค่ะือคื อ, อเมื่อก่อนเวลาที่หนูนั่งมันจะเริ่มทิ้งร่างกายไปแล้วก็พอมันเข้าไปลึกๆมันก็เริ่ม มันทิ้งจิตไปได้ด้วยค่ะมีความรู้สึกตัวเหลืออยู่ไหมเหลืออยู่ค่ะเห็นเกิดดับอยู่เอออย่างนั้นใช้ได้เสร็จแล้วมันก็จะมีอีกก็คือหลังๆมานี่มันทิ้งกายไปก่อนแล้วคิดช้าลงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็มันหููเพิ่มสติขึ้นน ะ, ะสติอ่อนเพิ่มสติขึ้น มันมันเป็นไปเองอะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละเราเราฝึกไปมากๆไปบางทีสติมันอ่อนไปหน่อยนะย้ำรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดถ้าสติอ่อนไปแล้วไปเพื่อหายไปอย่างนั้นนะเจริญปัญญาไม่ได้ใช่ใช่ค่ะเหมือนมันหายไม่หลอกหลอกมันหายสิถ้าสติมันอ่อนลงอ่อนลงนะงั้นหนูนั่งสักนิดเดียวหนูเดินตรงกลมดีกว่าไหมคะหลวงพ่อหรือว่าเดินก็ได้นะความจริงนั่งก็ได้ อย่านั่งไปพอใจจะเพลิ้มหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่อย่างงก็ได้คือบางครั้งมันทุกทีมันจะ เ, เห็นความคิดแล้วมันค่อยๆ ค, คิดลงน้อยๆแต่ยังไงยังมีสติอยู่เนยจะไปถล่ม<ๆ>ไปเพ่งการคิดนะให้ใจมันถอยออกมารู้สึกไกาให้ยเยอะขึ้นเดินจงกรมก็ได้ เลวงพ่าก็เคยเข้าไปนะเขาเข้าไปลึ ก, ลกๆๆเราไปเรื่อยนะไปเห็นเกิดดับลึกเข้าไปเรื่อยตามไปกะว่าจะไปดูต้นต่อว่าต้นต่อมันอยู่ที่ไหนว่าต้องตามดูให้ได้เลยนะจะได้ทําลายต้นต่อของมันนะเราพอว่าวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมขึ้นมาเชียงใหมนะ่เนี่ยเราแวะขึ้นไปกราบท่านท่านเห็นนะท่านกวักมือเลยผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะบอกอย่างนี้เลยนะออกมาอยู่ข้างนอกนั้นะหนูอย่กเข้าไปข้างในนะ หลวงพ่อก็จะยืมคำปู่สิมมาบอกหนูวหนูหนูออกมาอยู่ข้างนอกนี้อย่าหลงเข้าไปอยู่ข้างในหลงเข้าไปแล้วสติอ่อนไปใครพยายามหายใจแรงๆได้คือคือเพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มข้นขึ้นนิดนึ่งแต่ไม่เข้มมากเกินเครียดนะค่ะเนอ่อนไปโอเคเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อคะหนูถามแทนแม่ได้ไหมคะแม่อยู่ไหนอ่ะแม่หนูอยู่นี่ค่ะ แล้วทำไมต้องถามแต่แม่คือถ้าปล่อยแม่ถามแม่เป็นคนถามคําถามไม่ตรงประเด็นค่ะอ๋อหนูพูดตรงประเด็นถามไปคือแม่หนูก็เพียรนะคะหลวงพ่อแล้วก็เห็นว่าแม่พยายามรักษาศีลอยู่แต่หนูสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะแม่ไม่มีสมาธิพอหรือว่าใจยังไม่รักธรรมะพอเลยไม่ รักษาศีล น, นะรักษาศีลที่ดีต้องรักษาจิตคนเรามวัวแต่รักษาศีลที่มือที่เท้าที่ปากถ้าไม่รักษาจิตนะจิตถูกกิเลสครอบงำเดี๋ยวก็ผิดศีลยิ่งทําแม่ฟุ้งเก่งนะโอยิ่งไปเร็วเลยเพราะฉะนั้นให้คอยรู้ทันจิตบ่อยๆนะพุโทโธเรารู้ทันจิตพุตโทโธเรารู้ทันจิตกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันนะศีลจะดีขึ้นเองแม่หนูชอบ ยอมกิเลสถลุงนะคะ้ ล, ลูกรุ่นนี้นะมันชอบประจานพ่อแม่ <c oughs> อย่าไปกกรธลูกนะลูกเขาห่วงลูกเขารักหลูงพ่อว่าหนูให้แม่หนูมันพิจารณามรณสติดีไหมคะคงไม่ยอมพินามัง้ง <c oughs> เพราะเพราะอย่างตัวหนูหนูรู้สึกว่าหนู หนูชอบคิดเรื่องตายอะคะ่ะหนูเลยภ า, าวนาอุตรุษเลยะค่ะเออดีแล้วละ่ะลองชวนดูสินะเวลาแม่ <laughs> เวลาแม่เผลอแบเผลอแล้วแม่อ๋เอาเท่านีล้ละค่ะขอบคุณค่ะเอออย่าไปลาร้านแม่นะไ ม, ไม่ไม่เคยคะ่ะ huh. แต่ก็มีบ้างสอนพ่อสอนแม่ไม่เหมือนสอนเด็กนะพ่อแม่เนี่ยดีที่สุดเราทำให้ดู เราเพเพื่อปฏิบัติให้พ่อแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงในทางดีจนเขารู้สึกได้นะเขาจะค่อยสนใจอยู่ๆไปพูดให้ฟังไม่ฟังหรอกอะไรฉันก็ฟังมาก่อนแล้วทั้งนั้ น, นกาวนาัสการคกลาบนามส ก, การท่านอาจารย์เนะ่ส่งกันมากเป็นครั้งที่สองในรอบสี่ปีครัครั้งแรกส่งปี5้าหนึ่งที่วัดที่ผ่านมาก็ปฏิบัติดูดดใจไปนะครับ ที่ผ่านมาคือจะเผอมากกว่านะฮะแต่เวลาที่จะดูใจได้ชัดก็คือตอนว่าพระสวดมนต์ของผมสวดมนต์แบบเปิดหนังสือนะฮะขึ้นต้นโมนี้ก็ไปแล้วนะฮะทุกบรรทัดก็คือจะ เ, เห็นว่ามันไปตลอดนะฮะ บ, บางครั้งก็เหนื่อยนะฮะอย่างนั้นแล้วเวลามานั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้คาดหวังว่าจะมีความสงบแต่ไม่เคยได้รับความสงบนะฮะแต่นั่งไปก็จะมีเรื่องเข้ามาแ ว, แวบแวบแวบแวบตลอดนะฮะ ก็อยากจะเรียนถามพ่อสองสองสองประเด็นคือหนึ่งผมจะมีความเพียรได้ยังไงที่จะปฏิบัติตลอดกับอันที่สองคือจําเป็นต้องมีความสงบหรือเปล่าครขอบคุณครับจุดอ่อนของคารวาสนะไม่เฉพาะของคุณหรอกคารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนสําคัญอยู่อันหนึ่งก็เรื่องความต่อเนื่องอันที่สองคือเรื่องสมาธิไม่ค่อยพอใจวอกแวก วันๆ น, นะเรื่องเราเข้อมูลข่าวสารอะไรนี่เข้ามามากใจเราก็เพิ่มมากนี่เป็นจุดอ่อนที่ทําให้ฆราวาสส่วนมากไม่บรรลุมรรคผลทั้งๆที่คราวาสน่ะทำได้ดังนันเราถ้าเราเข้าใจจุดอ่อนตรงนี้เราก็แก้จุดอ่อนอยากความต่อเนื่องเนี่ยเรามีสัจจะตั้งใจไว้เลยว่าทุกวันเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติจะเป็นจะตายต้องทําให้ได้ อันนีมันจะฝึกใจของเราให้เข้มแข็งไม่ท้อถอยอย่างบางวันเหนื่อยมากๆก็ไม่ท้อถอยต้องทำจิตจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นมีความต่อเนื่องสำคัญอีกอันหนึ่งเรื่องสมาธิวันวันเรามีแต่ความฟุ้งซ่านเยอะโอกาสที่ว่าพอนั่งสมาธิแล้วจะสงบเนี่ยไม่ค่อยมีมันจะสลบมากกว่านั่งแล้วจะหลับไปเลยเพราะเหนื่อยนะงั้นเราต้องทาสมาธิที่พอทาได้ เช่นถ้ามีเวลาเราแทนที่เราจะคิดสเปดสป่าไปเรื่อยๆเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพุทโธพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าไ ม, ไม่ได้ท่องคําว่าพุทโธลอยๆนะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะท่านเดิมท่านก็เป็นคนเหมือนเรามีกิเลสเหมือนเรานะท่านก็พัฒนาตนเองขึ้นมาจนท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์มีปัญญาด้วยตัวของท่านเองแถมยังมีกรุณานะ เป็นงามความดีท่านเยอะเราจะต้องขอเดินตามท่านทุกวันทุกวันเลยเนี่ยสอนตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยใจที่เขาเคลียร์อยู่เนี่ยแล้วก็มีพุท ธ, ธานุสติจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างของผมที่ควรจะใช้อะไรเป็น์วิหารธรรมครของคุณชอบคิดไหมล่ะคิดมากครับนั่นแหละก็ต้องใช้กรรมฐานหมวดคิดกรรมฐานหมวดคิดมีอยู่10บข้อนะก็คืออนุสติสิบอย่างนะแทนที่จะห้ามมันไม่ให้คิดพามันคิดเลย แต่คิดอยู่ในสิบเรื่องนี้ไปเปิดตำลานะพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอะไรเงี้ยศีลานุสติจาคานุสติศีลานุสติแล้วก็อุปสมานุสติคิดถึงนิพพานนิพพานเรายังไม่เห็นเราก็คิดถึงท่านที่ถึงนิพพานแทนคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายกายคตาสติคิดถึงลมหายใจมันชอบคิดอย่าไปห้ามมันพามันคิด แต่คิดอยู่ในหมวดธรรมที่ท่านให้คิดนะครับขอบคุณคนระับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามนะห้ามคิดห้ามพูดท่านไม่ได้ห้ามหรอกอย่างถ้าจะคิดก็ ค, ดคิดเรื่องอนุสติสิทธิ์ถ้าจะพูดก็พูดเรื่องคถาวัตถุสิแล้วก็มีหัวข้อให้ถ้าเกินนั้นท่านเรียกว่าเดรฉานคาถา <laughs> เดรฉานคถาเดรฉานที่คาถาไม่ใช่คถาของสัตว์เดรฉานนะ เดรัานหมายถึงขวางมันขวางกว้างทางไปนิพพานไม่ไม่ใช่คําหยาบครนะเจ้าการพระอาจารยอยู่ไหนหลวงพ่อยังอยู่นี่ค่ะวันนี้ตั้งใจจะมากลับขอขมาพระอาจารย์กับแม่ชีค่ะอกรรมใดที่ได้ละเมิดล่วงเกินที่ระลึกได้แล้วระลึกไม่ได้ลูกกลับขอขมาค่ะเออนะโหสินะอยู่เย็นเป็นสุขเจริญในธรรมค่ะ ปกติก็ปฏิบัติปฏิบัติก็ดีแล้วนี่ปกติปฏิบัติดีกว่าปกติไม่ปฏิบัติค่ะคือตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็แล้วก็คือหนูคิดว่าทางที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็คือใช่เลยแล้วก็ตรงสลิดมากค่ะแล้วก็มีปกติจิตฟุ้งซ่านแต่ว่าชอบอยู่กับลมหายใจ ก็ถูกแล้วนะค่ะ <K ha> แต่จิตตึงสั้นใช้อนาปนานสติดี อ, อนาปา น, น, นสติหมองกับพวกมีโมหะค่ะ <K ha> คือสำคัญตัวเองคิดว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองแยกกายแยกจิตออกจากกันได้ก็คือคือรู้ว่ากายอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหาก <K ha> คือรู้ว่าเวทนามันแทรกอยู่ในกายรู้ได้เห็นเวทนาที่แทรกในจิตได้ไหมเวทนาแทรกได้สองที่ค่ะนะ รู้ว่ามีเวทนาในจิตค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่ไม่ห่วงกายแต่ว่าจิตมีความทุกข์มากมแต่ว่าก็ดูไปอยู่ค่ะที่ไม่ห่วงนะมันเจอด้วยโทสะนะมันยังไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาหรอกค่ ะ, ะมันไม่ชอบมันลำคาญเราเรารู้สึกตัวนะเรากร็ดูกายดูใจไป ดูด้จิตที่ตั้งมั่นคือรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เห็นธาเห็นขันก็แยกออกไปเราก็ทํางานไปเรื่อยแล้วรู้อย่างเป็นกลางนะของคุณต้องฝึกเรื่องกลางให้เยอะหน่อยมันยังมียินดียินร้ายไหมมีมากนะอันนะั้นอะ่นะรู้ตัวนั้นให้เยอะเลยสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นยินร้ายรู้ทันส่วนมากยินร้ายมั่งค่อยส่วนมากย<ด>ิน<ด>ร้ายเป็นคนโมโหง่ายค่ะก็คนมีบุญนะโกรธง่ายอ่ะ เพราะว่าเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเลยจะไปเจอหวรวงพอเคยเจอนะคนนึงนั่งก็นั่งเฉยบอกไม่โกรธไม่โลภฉันเฉยว่ามีโมหะอยู่ดูยากนะอย่างนั้นดูยากที่สุดเลยทักงโมหะของโยมดูไปนะสภาวะแข่งความโกรธเนี่ยมันจะแทรกเข้ามาอยู่แทบตลอดนะค่ะ ให้เรารู้ทันมันจะมียินร้ายเกิดขึ้นเนืองๆคอยรู้ทันอย่าไปยินร้ายกับยินร้ายอีกทีละค่ะส่วนมากจะหลงไปเลยมไม่ค่อยได้รู้ทันขั้นแรกก็รักษาศีลไว้ก่อนถึงใจจะโกรธนะแต่มือเท้ากับปากเราไม่เอาเอารวาส<ฆ>นะมีศีลอย่างนี้มีศีลถัดจากนั้นเราก็มารู้สึกตัวรู้สึกตายรู้สึกใจของเราเรื่อยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมัครนะ แล้วก็ดูไปความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นหรือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนะมันกระทบอารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นใจใจกระทบอารมณนะ์แล้วความรู้สึกมันค่อยเกิดเราห้ามมันไม่ได้หรอกอแล้วรู้ไปแล้วใจยินดีใจยินร้ายขึ้นมารู้ทันมันค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะแจ้งกราบน้ำม ก, การพระอาจารย์ค่ะเออโยมแบบ ปฏิบัติมาได้ประมาณห้าปีนะเจ้าคะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะฟังซีดีจากหลวงพ่อนะคะแล้วก็เ อ, อที่ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยสมาธิไม่ค่อยจะได้้วคะ่ะเพราะว่าพอนั่งแล้วก็ฟุงฟ้งฟุ้งแล้วก็ตามฟุง้งตามบางทีก็ตามไม่ทันแต่ที่ปฏิบัติได้คือดูจิตแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ทัน ทีนี้มีจะมีเห็นว่าทุกเนี่ยมันเห็นค่ะเห็นว่ามันเป็นทุกจิตมันเป็นทุกแต่บางทีมันก็ยังมันก็ยังเป็นทุกของมันอยู่ทีนี้ความที่มันเป็นทุกบางครั้งเนี่ยถ้าดูไม่ทันเนี่ยมันก็จะทุกนานทีนี้โยมก็จะใช้วิธีเรียกว่าความรุนแรงกับจิตโดยที่เข้าไปดูตอนที่มันทุกเนี่ยเข้าไปดูตอนดูนี่โยมก็อยากจะถามมหาว่า ดูนี่ดูถึงอาการของจิตใช่ไหมเจ้าคะใช่ให้เห็นอาการว่ามันทุกข์มันชอบหรือว่ามันอย่างนี้ให้เห็นเข้าไปตรงนั้นไม่ทราบว่าดูถูกตรงนั้นบ้างการดูจิตเราดูสองอันนะดูะความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตกับดูกิริยาอาการของจิตนะนี่สองอันความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกร้าย กริยาอาการของมันเช่นมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไปดึงไปรักไปโน้นไปเกลียดอันนี้เรู้ทันมัน <c oughs> ดูการทำงานของมัน <c oughs> หรือดูการทำงานของมันนะอีกมุมหนึ่งเช่นเห็นการทำงานพอกระทบอารมณ์ก็เกิดเวทนามีเวทนาเกิดตัณหาเกิดตัณหาแล้วก็เข้าไปยึดอะเงี้ยเข้าไปอยากเข้าไปทุก อย่านี้ก็เรียกว่าดูจิตเหมือ น, นกันอันนี้คือดูกระบวนการทํางานของจิตคุณนั่นเองคะก็คือ<ห>ปฏิจจสมบัต<ห>ิทีนี้มีอันนึงค่ะว่าพอเรามีเรื่องทุกข์มากๆเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ว่าพอดูมันแล้วก็ถ้าทันมันเห็นมันปล่อยเห็นจิตที่มันเกาะกับเรื่องนี้มันมันคลายออกจากกันคลายได้เห็นเห็นมันคลายต่อหน้าต่อตาทีนี้ก็เลยบางครั้งดังเรื่องเข้าใจว่าเราไป อันนั้นขึ้นอยู่กับความสําคัญหรือว่าเราไปยึดติดมันนานมันก็เลยไม่ค่อยจะปล่อยเท่าไหร่บางทีมันก็ไม่ได้ผลเราไม่ได้ภาวนาให้มันปล่อยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันพน้นจากความทุกข์นะทุกให้รู้หมายถึงว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี้ให้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวอย่างความโกรธเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยก็จะเห็นว่ามันอยู่ชั่วคราว ถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็อยู่ชั่วคราวนะอาจจะได้พระโสดาบันนะพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกรู้แต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอาจารย์คะถ้าถ้าหากว่าโยมจะใช้วิธีที่โยมเคยใช้คือถ้ามีทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปดูคือมีครูบาอาจารย์บางท่านก็สอนบอกว่า รู้แล้วให้ละก็คือให้มาที่ลมหายใจ<嗯>แต่โยมก็มีความรู้สึกว่าการที่เราพอรู้เข้าไปแล้วเราก็ทิ้งมันมาที่ลมหายใจมันเหมือนหลบเหมือนเหมือนหนีมันห哈แล้วมันก็ไม่หายสักทีไม่หายหรอก<ะ>พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกพุทธเจ้าสอนให้ละอยากเพราะฉนั้นความทุกข์เกิดขึ้นนะให้เข้าไปรู้อยากจะหนีทุกข์อยากจะละมาอยู่กับลมหายใจรู้ว่าอยากนะละความอยากตัวนี้เสียถ้าหลักใ<ห>้แน่นหนา ในอ ร, ริยสัจฮะพระอาจารย์ถ้าเราเราดูดูมันอยู่นั่นได้ไหมเจ้าคะเวลาดูถูกแล้วทุกเกิดขึ้นให้รู้มันแต่มีเทคนิคอันนึงที่สําคัญมากนะจะต้องไม่ถลําลงไปดูต้องดูห่างๆดูเหมือนเห็นคนอื่นทุกนะไม่ใช่เราทุกนะเราเป็นคนดูจิตเราต้องไม่ไหลเข้าไปเกาะตรงตั ว, ท, ตวทุกตัวนี้แหละที่ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นซะก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญาก็าคือการรู้ทุกนั่นแหละ โยมมีทีนี้โยมไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะแนะนาอะไรโยมว่าโยมควรจะใช้วิธีไหนที่มันจะได้ผลนะฮโยมเป็นคนคิดมากเพราะงั้นน่าใจมันเปลี่ยนเรื่อยๆคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปอย่าไปแทรกแซงมันแล้ว <c oughs> ไม่หนีไปหาลมนะ <c oughs> ยกเป็นดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจดูไม่รู้เรื่องดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้มาอยู่กับลมหายใจทาสมถะ แต่ไม่ใช่ว่ากําลังดูอยู่ดีๆทําพิปัสนาอยู่ดีๆนี้มาดูลมหายใจหนี้มหาสมถะมนะมีอันนึงหาพระอาจารย์ว่าเรื่องของการเจริญอสุภะโยมก็มีความรู้สึกว่าเราไปหลอกจิตหรือเปล่าที่ว่าให้ไปดูนูน่นดูนี่เหมือนเหมือนชักจูงมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเหมือนก็จะรู้ด้วยตัวเองต้องจูงมันก่อนธรรมดาเราก็ชอบจูงจิตไปรู้น้นดูนี่อยู่แล้วละ่ะนะ มารู้ความตายารู้อสุภะบ้างใจจะได้ไม่ดิ้นรนเยอะเป็นอุบายเป็นสมถะกรรมฐานต้องน้อมจิตไปพิจารณาไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยวิปัสนารู้อย่างที่เขาเป็นอสุภะไม่ไม่ใช่ไตรลักษณ์น ะ, ะแต่การที่เราไปพิจารณาสุภะเนี่ยทําให้ข่มราคะได้พิจารณามรณสติแล้วทลายข่มความประมาทได้แต่ละตัวกรรมฐานแต่ละตัวนี่พวกนี้สมถะทั้งนั้น ถ้าอาจารย์ถ้าอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องไปพิจารณาได้ไหมเจ้าคะวันหนึ่งนี่จิตมันจะรู้เองหรือเปล่ายมมีคนเป็นคนของโยมควรพิจารณ์นะอะไรเจ้าค่ะเออของโยมมันใจมันช่างชิดฟุ้งแรงจะให้มันรู้เองมันไม่ร่วมชนนีไปงั้นถามมันคิดซะเลยอ๋อเจ้าคะคิดเรื่องร่างกายของเรานี้อยู่ชั่วคราวะผมคนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็อยู่กันชั่วคราว วันหนึ่งก็แยกออกจากกันไปอะไรเงี้ยจิตอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะได้มีพลังและสมัครที่แล้วคราวนี้ถึงจะเดินปัญญาตัวจริงค่ะขอบพคุณที่กราเพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ดูดูฟังแล้วก็อ่านหนังสือรรห่วงมานานนะคะทีนี้เวลาโยมไปปฏิบัตินี่ก็รู้สึกว่ามันจะนั่งพลางหน้ามั่งหลังมั่งหมุนตัวมั่ง แต่ก็บางครั้งก็รู้สึกตัวบางครั้งก็ลาคาญะคะ่ะแล้วตอนที่มันฟังงะเรายังรู้สึกตัวอยู่ไหมค่ะรู้สึกตัวอยู่ช่างมันถึงจะดูไม่เท่ก็ช่างมันเมันที่นั่งคนเดียวก็โอเคปล่อยมันไปนะคะออพอหน่งกับชุมชนหลายคนแบบอือะไรเธอที่ชอบค น, นถ้านั่งกับชุมชนหลายคนเพิ่มสติให้แรงขึ้นไห น, <อ>นสติอ่อนไปหลายครั้งจะบางครั้งก็บุไบปไปวูบไปด้ย เอ๊แต่ไม่ได้ง่วงนอนนะคะบางทีจิตมันจะรวมนะหลวงพ่อนะตอนเป็นโยมมีเพื่อนด้วยกันไปหาครูบาอาจารย์ไปกันสองคนแหลนะมาหาหลวงปู่สิมโลวงปูดดูนไปกันสองคนคนนี้แปลกอย่างเวลานั่งสมาธินะนั่งแบบไม่น่านับถือนะเคยไปนั่งในวัดป่าแห่งหนึ่งด้วยกันพอไปนั่งนั่งแปบเตียนะขาแกก็เหยียดออกไปนะตัวแกก็เอียงไปเอียงมา มันที่อยู่รอบๆน่ะหัวเราะเลยว่านิ่มนั่งไม่เป็นครูบาอาจารย์ท่านจิตท่านประนีท่านรู้ไม่อยากหัวเราะเขานะตัวเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงเป๊ะเลย<ม>คือเขาไม่สนใจกายเลยนะจิตเขานี่เด่นดวงขึ้นมาอเองงน<ม>นี้ถ้าคนเขาไม่เข้าใจเขาหัวเราะเขา แต่โยมสงสัยจะไม่ใช่จิตเด่นดวงมัง้งบางครั้งก็อายเพื่อนค่ะเพราะ<ม>ว่าเขานั่งใกล้ๆนะคะงั้นเราเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นหน่เวลานั่งทําสมาธินะถ้าเรานั่งแล้วเคริมง่ายเราก็อย่าไปนั่งหลับตานั่งหลืมตาแล้วก็เห็นร่างกายนิหายใจใจเป็นคนดูดูมันหายใจแบบดูสบายๆนะไม่ใช่จ้องนะอย่างนี้ไม่มีความสงบ ดูสบายๆเห็นมันหายใจเราเป็นแค่คนดูแค่รู้สึกแค่รู้สึกบางทีบางทีแบบว่ารู้สึกมันก็เงียบไปเลยนะคะเงียบแต่ว่ามีความรู้สึกตัวแต่ทําภาวนาหาได้หมด อ, อ่ถูกต้องเลยลนั้นเป็นเรื่องของสมถะได้สมาธิถ้าได้สมาธิเต็มที่บางทีโลกดับหมดเลยนะเป็นบางครั้งกนะไม่มีคนเลยตัวร่างกายก็ไม่มีเหลือจิตอันเดียวยนะเด่นดวงอยู่อย่างนั้น แล้วเราจะยกวิปัสสนานยัางไงเลยคะตอนนี้ยังไม่ยงอ่ะตอนนั้นพักไปก่อนพ อ, อจิตเคลื่อนออกจากสมาธินะมาพิจารณากายเลยทำไมต้องพิจารากายไม่พิจาร์จิตไม่ได้เหรอมัะจิตมันส่งสมาธิอยู่มากนะมันยังไม่มีอะไ ร, รปลุกขึ้นมาให้ดูง่ายๆหรอกนะมาดูเลยร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายเป็นบ้านให้จิตอาศัยอยู่จิตเป็นคนดูอยู่จิตกับกายที่เป็นคนละอันกันนะถ้ามันไม่ยอมพิจารณามันไม่ยอมดู แยกขันออกไปช่วยมันคิดเลยก็ได้ร่างกายนี้เหมือนเปลือกเหมือนถ้าดว อ, อกไหมมันเป็นโปรงๆนะเป็นบ้านให้จิตอยู่แล้วก็ดูร่างกายนททำงานไปทั้งวันเลยใจอยู่ตหากใจไม่ถลําเพราไปเพ่งดีเหมือนเหมือนเขาก็คุณคับเหมือนกับดูเขาเรียกว่าอะไรอ่อาดูแบบรายละเอียดของร่างกายใช่ไหมคะดูเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เรานะไม่ให้ดูให้หน่าเกลียดนะ ดูให้หน่าเกลียดใจจะมีโทสะไม่ชอบนะถ้าดูแล้วเห็นว่ามันไม่มีตัวเราใจจะคลายความยึดถื อ, อคคบเวลาพวกเราพอวนาต้องระมัดระวังหลักหลักต้องแม่นนะไม่งั้นบางคนไปพิจารณ์ร่างกายเป็นปฏิกูลสุภาแล้วบอกว่าทํำพิปัสนาไม่ใช่พิปัสนานะพิปฏิกูลสุภานั่นพิจารณาไปเพื่อข่มราคะเท่านั้นเลยแล้วบางคนไปพิจารณาปฏิกูลสุภาแล้วโทสะเกิดซะยิง ราคาหายนะตายเป็นโทสะอย่างนั้นไม่เหมาะเลยค่ะกลับนล้สกการนะค่ะพระอาจารย์ค่ะยกเรียนในเทธรรมะกับหนังสือนะคะเที่ผ่านมานี่โยมทําปฏิบัติไหมปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแต่ระลึกในพระพุทธธรรมผสมเสมอแล้วก็พระธรรมคำสอนของของพระองค์นะคะและของพระอาจารย์ด้วยค่ะ โยงตุทุกวันนี้นะคะสวดมนต์ภาวนาบ้างแต่การที่ปัจจุบันนี้จะระลึกตัวเองบ้าง น, นี่คือทุกข์นี่คือสุขแล้วก็จะปล่อยวางแต่บางครั้งมันจะเหมือนคนละเลยกับกับโลกที่เราเราดำรงอยู่ค่ะอาจารย์ขอขอคำลำสอนไม่ละ เ, เลยโลกน ะ, ะอยู่กับโลกมีหน้าที่ต่อโลกก็ต้องทา ไม่ไม่ได้พอนาแเราหนีโลกหรอกนะของโยมไปดูเพิ่มขึ้นตัวหนึ่งโยมยึดถือในความคิดเห็นของตอนเองบ่อยไหมมีไหมไม่ไม่มากมาไม่มากน ะ, ะแล้วยึดอะไรบ้างอะ่ะจะยึดธรรมชาติค่ะว่าเราเราเกิดมารับกรรมแล้วสิ่งที่เราเจอนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องรับแล้วก็กปฏิบัติ ด, ดีเพื่อที่จะอันนั้นแหละที่หลกเาพาะว่ามันยึดในความเห็นนะ อ๋อค่ะยึดความเห็นอย่างนี้อยู่เพราะฉั้นเวลาเรามองอะไรนะเราจะมองโดยใส่แว่นตาใส่สีไปแล้วจะต้องมองแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเนี <Okay. S 2> ย่ยต่อไป น, นี้ดูให้สบายๆใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ดูเล่นๆนะ <Okay. S 2> ไม่ต้องไปคิดนําแบบนั้นหรอก mm hmm. อย่างนั้นนะความที่หลวงพาะว่าความเห็นมันนาไปยึดในความเห็นอย่างนี้แหละ ว, ว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่าง น, องอางนี้ต้องธรรมชาติต้องย และควรจะปฏิบัติรู้ทันน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดาก็แค่รู้ไปเราจะเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวดูยงี้บ่อยๆแล้วก็กล้ามหน้าได้คไม่งั้นใจจะแข็ง่ปใจจะแข็งแข็งอครับพระคุณครับครับการมาสการพิจารับ นะครับวันนี้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับของพวกเราทุกท่านนะครับที่มาอยู่ในห้องประชุมนี้ทราบว่ามาจากทางในเมืองและก็พว้บรงหานโรงไฟฟ้าและสัตยาหลายท่านนะครับในชนุมชนเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของพวกเรานะครับและลําดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายจิุปิจญาณแล ะ, ะเครื่องไทยทานจากกัปป์อาจารย์นะครับนอกจากนี้ขอให้ทุกคนได้กล่าว คำถวายพร้อมกันนะครับตั้งนโมสาจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกล่าวตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย พรน้อมถวายเจตูปัจจัยพระไตรจีวรพร้อมสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชจงรับเจตูปัจจัย ข้าใจจีวรพร้อมของสิ่งอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินกรนับต่อไปละพรจากพระอาจารย์นะครับ ยถาวาริวหาพุราปริพุริเณติสากครางีวเมวายโตินังเปตานางอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามาณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชันตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภะวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังุทาปจายโนะจตารโรธรมาวทันเตียยุวันโนสุขังพลังสาุ